ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแร่วมพระโพธิญาณในวันนี้พอดีทรงกระปันเข้าปุริมะพันษาจึงใกล้จะประรบเรื่องวันข้าวพันษาเช่ยก่อนวันข้าพันษานั้นเป็นการปฏิบัติตามพระวินัยพุทธานุญาตแล้วก็สืบเนื่องมาจากสถาบันสงฆ์ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของสังคมคือไม่ใช่เป็นปัญหาทางบาปบุญหรือปัญหาทางวินัยแต่เป็นปัญหาเรื่องสังคมจิตวิทยาวันถึงฤดูฝนประสงค์ก็คงเที่ยวไปไหนมาไหนหรือเที่ยวจาริกไปตามปกติ เพราะช่วงนั้นยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงอะไรเนื่องจากเป็นองค์กรที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็ถือเป็นโอกาสที่จะท่วงติงตำหนิตํานองคล้ายๆกับไม่อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของสังคมเพราะว่าพวกกองคารวานทั้งหลายพวกพ่อค้าต่างโคต่างลาต่างทั้งหลายเนี่ย ถึงฤดูฝนก็ต้องหยุดพักแรมแต่ก็ตำหนิี่เตียนพระว่าเดินไปในทุ่งนาไปเหยียบย่ำเข้ากล้าเขาให้เสียหายผิดกับนักบวชเราอื่นซึ่งว่ากันโดยเหตุผลมันไม่มีเหตุผลอะไรเราลองนึกภาพดูว่าการเดินของคนเนี่ย จะเดินไปเหยียบข้าวก้าก็ได้ยังไงเพราะว่าคันนาในสมัยนั้นหรือสมัยไหนๆก็ตามมันก็มีคันนา ร, รูปแบบจีวรที่พระนรเทระออกขึ้นมาใช้จนถึงปัจจุบันก็อาศัยแบบคันนาของชาวมคตจึงก็หมายความว่าในคันนาเหล่านั้นแหละก็เป็นที่เดิน แต่เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าสังคมที่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขามีความแบ่งแยกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความรู้สึกรษยาที่สถาบันสงเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตในเวลารวดเร็วพระพุทธเจ้ามีชื่อเสียงกะรกะจายไปในทิ่สารมณฑิตทั้งหลายเวลาข่าวเรื่องความดีคนดีหรือการกระทำดีบังเกิดขึ้น รือถ้าเรามองจากผู้ทาหรือผู้รับประโยชน์จากการทำก็เป็นการปฏิบัติเคือกูณต่อกันแต่เมื่อมองจากกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่พอใจเราเป็นเบื้องต้นอยู่หรือมีความริษยามีความเบียดเบียนในความแข็งดีอยู่การการะทำเช่นนั้นก็ไม่เป็นที่พอใจของเขาเวลานี้มันก็กลายเป็นเกณฑ์สองเกณฑ์คือเกณฑ์ทางสังคมกับเกณฑ์ทางศีลธรรม รายนว่าสังคมนั้นที่จริงไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรที่เราพูดถึงความขัดแย้งการระวังหลักเกณฑ์กับหลักกูเ์หรือการขัดแย้งปั่นระหวังความถูกต้องกับความถูกใจก็เมื่อคืนวันที่สิบกก็ไปบรรยายที่ปัตตานีกลับมาทางเครื่องบิน ก็มาติดรถอยู่ที่หน้าธรรมเนียตเนี่ยคนนานพอสมควรก็เกิดสงสัยว่าเอมาตั้งสองทุ่มกว่าแล้วทำไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรคนขับรถเขาจะขับรถหลบไปอีกด้านหนึ่งคือไปอ้อมตัดหน้าวัดเป็นจะมาบะพิดก็บอกว่าไม่ต้องอ้อมหรอกปดูซิมันมีอะไรก็ปรากฏตามที่เป็นข่าวนั่นเอง ตัวนี้เราเห็นชัดเจนนะว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องกับความถูกใจที่มีความขัดแย้งกันแล้วพอกระแสออกมามันก็กลายเป็นสองกระแสอย่างเงี้ยกระแสหนึ่งก็โจมตีตำรวจกระแสหนึ่งถึงมากเป็นพิเศษก็เฉยๆนะกระแสหนึ่งก็อบอุ้มคุ้มครองพวกคนที่ปฏิบัติการในลักษณะนั้น หรือถ้าคืนใช้อารมณ์อย่างนี้แล้วมันหาข้าอยุติไม่ได้แต่ถามนาการกระทําเช่นนั้นกฎหมายบ้านเมืองกําหนดไว้อย่างไงรความถูกความควรในฐานะของคนลเมืองที่ดีของแผ่นดิน่ะควรจะทําอย่างไรเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ดีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ผิดกฎหมายบังเกิดขึ้นน่ะควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรแล้วคนที่รับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นควรใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัย และถ้าใจเราไม่เอียงเนี่ยเราจะหาข้อยุติได้เพราะในการในยุคนั้นมันก็เหมือนกันคือเรเห็นว่าโดยภาพลักษณ์จริงๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่พระจะเดินลุยไปกลางนาแล้วก็เหยียบเข้าก้าาชาวบ้านเนี่ยตอานี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าเราดูจากหลักฐานต่างๆพระยุคนั้นประมาณสิบกว่าปีนะประมาณสิบสองปีเนี่ย ตั้งแต่พระุ้เจ้าเริ่มประกาศปฐมเทศนามันไม่มีพระปุตุชนนันมีแต่พระอริยบุคคลอย่างต่ำก็เป็นพระอนาคามีโด้ั้ำไปพระอริยบุคคลหรือว่าแม้แต่คนที่มีสำนึกพอสมควรเนี่ยมันไม่มีมนุษย์ไหน ไ, ไปเดินลุยเข้ากล้ากับชาวบ้านครับเป็นเพียงภาพการสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของสังคมให้เรามองเห็น ว่าสังคมนั้นเป็นอย่างนี้เองไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตามคนดีนั้นจะถูกคนชั่วซึ่งสูญเสียประโยชน์จากการเกิดของคนดีเนี่ยถูกสร้างข่าวขึ้นมาทำลายและถ้าเราติดตามเหตุการณ์ตรงนี้เราจะพบว่าหลังจากพระพุทธเจ้าสัสรุแล้วก็เผยแผ่ศาสนาหลังจากวัดมาคั บ, บุชานะฮะก็เพียงไม่กี่วัน แรงฤทธิยาบ้างก็แพร่กระจายอยู่ในกลุมแรกเชือครึกแล้วเพราะเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะสรุปเพียงคิดว่าเดือนที่แปดนะฮะหลังจากเอาคิดว่าเดือนที่สิบก็แล้วกันหลังจากจสรุปได้นำเอานักบวชในศาสนาในลัทธิต่างๆนะเข้ามาเป็นลูกศิษย์หรือเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ถึงสามลัทธิพวกปัญญวิวคีเป็นพวก นักบวชประเภทปิจุบพวกพระรูเวลากัสปะเป็นนักบวชประเภทชดินพวกภาษารีบุตรเป็นนักบวชประเภทปริพาชุกเราเลิกดูถึงคนที่เคารพนับถือคนเหล่านี้อยู่ญาติพี่น้องก็คนเหล่านี้ซึ่งไม่ยังนับยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเกิดความโกรธความเกลียดพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ แน่นอนคนที่ชื่นชมยินดีก็ต้องมีมา ก, ก น, นะแต่ว่ากลนกลุ่มหนึ่งนั้นจะต้องโกรธจะต้องเกลียดจะต้องไม่ปล่อใจแล้วก็พวกนัก บ, บวชในละทิศเหล่านั้นแหละโดยเฉพาะตัวคณาจารย์เนี่ยเขาสูญเสียลูกศิษย์ไปจำนวนมหาศาลขนาดนั้นเน่ะเขาจะทนได้หระอเพราะเราจะเห็นว่ากระแสมันก็มาจากหลายกระแสกระแสหนึ่งคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้นอยู่ แต่ไม่ยอมรับนักถือพระพุทธศาสนาก็สร้างเรื่องขึ้นมาโจมตีพระพุทธเจ้าอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสูญเสียโดยตรงว่าลูกศิษย์ของท่านมาเคารพนักถือพระพุทธเจ้าม่มีการปลุกระดมในกรุงราชชึกไปเชิญชวนชักชวนให้คนทั้งหลายแอนตี้พระพุทธเจ้าเป็นทำนองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ไปพรากลูกพรากพรากผัวพรากพ่อคือเรียวกว่าพรากลูกจากพ่อแม่พรากสามีจากพันยาแล้วก็พรากพ่อมันจากลูกเป็นการตัดสกุลของชาวบ้านซึ่งเขามีความเชื่อว่าคนเราถ้าเกิดมาไม่มีลูกผู้ชายเนี่ยตายไปจะต้องตกนรกชื่อว่าปุตตะเพราะในการปรดมเหล่านั้นเราจะเห็นชัดเจนไม่เป็นการบิดเบือนเฉย เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีชาวบ้านเข้ามาบวชนะยกเว้นที่กรุงสาวะภารันชีคือที่กรุงราชครืดนะก็มีนักบวชกลุ่มเดียวไปออกบวชแล้วก็ไม่ใช่คือสองกลุ่มนะฮะพวกปุราณาชาดินกับพวกพระสารีบุตรพวกปริพาชกคือพันสองร้อยหสิบรูปอะพาระละหันพันสองร้อยห้าสิบรูปที่ประชุมในคราวมาคบุชาเนี่ยชุดเนี่ยพระเจ้าก็ต้องให้พระสงฆ์ออกไป ชี้แจงให้คนเหล่านั้นเกิดความเข้าใจแล้วก็เตือนให้สติถึงความริษยาซึ่งในเกิดขึ้นในหมู่คนที่ตนรู้สึกว่าตนเองสูญเสียผลประโยชน์เรื่องนั้นก็สงบลงเพราะในกรณีการจำพรรษาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อนเนื่องกันมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าในปีที่เท่าไหร่แต่การตัดสรูรนะคะ ก็พูดแต่ว่าในสมัยหนึ่งโดยสมัยนั้นครั้งนั้นจะพูดในลักษณะอย่างนั้นแต่คงจะใกล้ๆนั่นแหละก็ <d> ไม่เกินสามปีแต่การจัดสรุปเรื่องเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของสังคมจิตวิทยาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นสวัสดิภาพของพระด้วยแล้วก็เป็นโอกาส ที่พระจะต้องอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเพื่อศึกษาทมปฏิบัติธรรมพระเจ้าก็ส่งปฏิรูปความคิดของคนยุคนั้นซึ่งอยู่จำการฝนกันมาเนี่ยแล้วก็ให้มีการอยู่จำพันษาในที่ใดที่หนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนกันมาโดยลำดับแต่เอาเข้อจริงเนี่ยปีฤดูต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันไป เมือไปเรานั้นคล้อยตามประเทศอินเดียได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้เคียงกันแต่พอไปถึงยุโรปอเมริกาแล้วฤดูอะไรมันก็ต่างกันหมดทูตเจ้าเน้นที่เดือนนะฮะเน้นที่ฤดูไม่จะเน้นที่เดือนของเราก็ตกในกลางเดือนแปดต้นวันข้าวพรรษามันก็มีสองวันก็เรียกวันข้าวพรรษาต้นกับวันข้าวพรรษาหลัง ก็ห่างกันอยู่หนึ่งเดือนวันข้าวพรรษาต้นก็คือแรมคร่ำหนึ่งเดือนแปดก็คือวันนี้วันข้าวพรรษาหลังก็คือแรมคร่ำหนึ่งเดือนเกแต่โพวกที่ข้าวพรรษาหลังนั้นจะไม่มีโอกาสรับกรถินเพราะว่าวันออกพรรษาของท่านก็เป็นวันหมดฤดูกรถินพอดีแสดงว่าได้อานิสงก็กันจำพรรษาเพียงสามเดือนแต่ไม่ได้อานิสงจากการจำอากันรับกรถินด้วยการการกรถิน ตัค่าปัญษาแรกก็มีโอกาสออกปรรษาในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเราก็มีช่วงเวลาอีกหนึ่งเดือนที่จะมีโอกาสการกระถินก็ทำให้ท่านเหล่านี้ได้มีโอกาสรับกระถินแล้วก็การกระถินตามไปด้วยทีนี้ประเด็นที่น่าจะศึกษาก็คือว่าในการต่อมามันก็ปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ย ก็กําหนดเป็นกฎเกณฑ์ทั้งทางพระวินัยแล้วก็ทางกฎหมายแต่ทางกฎหมายนั้นกําหนดเอาไว้เลยว่าพระสงฆ์นั้นจะต้องสังกัดวัดใดวัดหนึ่งแต่ว่าจำพรรษาไม่ได้บังคับคือเราอาจจะไปจำพรรษาในวัดอื่นก็ได้แต่ว่าการจำพรรษานั้นสถานที่จําพรรษาเนี่ยจะต้องมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้เยีะกว่าการลงกันฝนกันแดดได้นะ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิภาพของพระแต่ถ้าหากว่าไปอยู่ท่ากลางฝนความชื้นต่า ง, า ง, างเนี่ยเกิดโรคปอดบวมขึ้นมาเกิดเป็นัตรายได้แล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะทำได้ไม่ค่อยสะดวกที่สำคัญก็คือรูปพิธีกรรมโจะเห็นว่ามันต่อเนื่องกันมาจากวันขึ้นสิบห้าค่ำถึงแปดซึ่งในการต่อมาก็เป็นวันอาสาหาบูชาที่ได้ผ่านไปแล้ว แต่เรามองพิติกรรมในเฉพาะช่วงการเข้าพรรษามันมีอยู่สองเรื่องที่น่าศึกษาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องจิตสำนึก่าจิตสำนึกของพระภิกษุที่จำพรรษาในอารามนั้นๆจะต้องสำนึกว่าในการอยู่ร่วมกันของคนเรานั้นอาจจะมีการกระทบกระทั่งมีการร่วมเกินอะไรกันอยู่บ้างก็มีการปรานาไม่ใช่มีการ ขอขมาลาโทษกันที่ล่วงเกินด้วยการกระทําก็ดีด้วยการพูดก็ดีหรือแม้แต่คิดด้วยใจก็ดี่าให้แต่เราฝ่ายนั้นให้อภัยกันเป็นตานองคล้ายๆกับปรับความรู้สึกให้เป็นมิตรกันและให้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขตลอดไตรามาสคือสามเดือนเนี่ย หรือคนเราเวลามีอะไรขุนข้องมองใจกันมันจะมีอยู่สองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่ง ม, มุขจ้าทรงเรียกว่าคนผ่านหรือว่ามีการล่วงเกินคนอื่นแล้วไม่ขอขมาโทษกับคนที่คนอื่นก็ขอกมาโทษแล้วไม่ยอมให้อภัยก็ถือว่าผ่านด้วยกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ คนที่ร่วงเกินคนอื่นสำนึกความเป็นความผิดแล้วก็ขอขมาลาโทษแล้วกับอีกคนหนึ่งคือเพื่อนขอ ข, อขมาลาโทษแล้วก็ให้อภัยคนนี้ก็เป็นบัณฑิตด้วยกันทั้งคู่เพราะการขอขมาลาโทษกันเนี่ยจึง เ, เป็นหลักการที่ให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกเป็นมิตรมีความอบอุ่นมีความเป็นมิตรกันแล้วก็รู้จักสถานะของกันและกัน จึงถือว่าเป็นธรรมะปฏิบัติที่ควรใช้อย่างยิ่ง่ากการร่วงเกินกันในโอกาสต่างๆเนี่ยคื อ, อยังไงก็ตามคนเราต้องถึงจุดหนึ่งเมื่อจิตมันปกติต้องหยุดทบทวนตัวเองพอมันเกิดมีลักษณะของการประทะการกล่าวหากันการใส่ร้ายกันการลงไม้ลงมือกันแล้วเนี่ยมันก็ผิดด้วยกันแ่ะแล้าทานองการสาดโครกัน ซึ่งมาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องคิดในการที่จะขอขมาลาโทษกันแนับเดินกันใหม่เพื่อมองเห็นถึงความถูกต้องดีงามที่เรียกว่ามีจุดนัดพบกันที่ความถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมตามวัตนธรรมตามธรรมคือมันแก่เปลี่ยนแปลงแก้ไขกันได้ประการที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างหนึ่งคือเรื่องกองการอิษฐาน หมฐานการจำพรรษาเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานอยู่การฝนตลอดสามเดือนนี้ในกุฏินี้หรือว่าในอาวาัสนี้เคยจะอธิษฐานสองอย่างนะฮะในวัดกับในกุฏิแล้วตลอดระยะเวลาสามเดือนนั้นจะต้องอยู่ประจำในที่นั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยไม่มีใครจะอย่างรู้ได้ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างดังนั้นจึงมีพุท ธ, ธานุญาตพิเศษขึ้นเรียกว่าสัตาหากรณยะคือไปได้แต่ว่าต้องกลับมาภายในเจ็ดวันเพียงแต่ว่ากิจที่ประรบเป็นเหตุให้ไปเนี่ยมันต้องเป็นกิจจะลักษณะพอสมควรเช็นมณมานดาบิดาเจ็บไปเพื่อดูแลรักษาพยาบาลได้กุติวิหารชำรุดจะต้องซ่อมแซมพระ ภิกษุ ส, สามเณรเกิดขัดแย้งกันไปเพื่อระ ง, งับหรือว่าถายกส่งคนนิมนต์ไปเพื่อฉลองศรัทธาเขาอะไรแต่อะไรเนี่ยคือเรียกว่าสรุปว่าเป็นกิจลักษณะแล้วก็อนุญาตให้ไปได้แต่ต้องกลับมาไม่เกินเจ็ดวันถ้าไม่อย่างนั้นก็พันสาขาดทีนี้พันสาขาดในที่จริงมันเป็นเรื่องส่วนตัวท่านนะนะฮะ คือหมายความว่าสัจจะเดิมเนี่ยท่านตั้งไว้ว่าจะทําให้ได้แต่มันเกิดทําไม่ได้จำนวนบาลีท่านเรียกว่าเป็นปฏิสวัตุกฎคือเป็นทุกข์ก ร, รับคําเจตนาเดิมบริ ส, สุทธิ์แต่เอาก็จริงมันเกิดมีอุปสรรคก็ทําไม่ได้ก็ค่อนข้างจะส่วนตัวนะฮะแล้วก็เป็นวินัยประเภทที่เรียกว่ามันสืบเนื่องมาจากจารีตที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ หลักการตรงนี้ก็กลายเป็นธรรมะปฏิบัติเซึนก็หมายความว่าเอาสักสามข้อเนี่ยนะข้อหนึ่งก็คือเรื่องการร่วงละเมิดกันจ่มีความผิดพาลาดในการร่วงเกินกันโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามคือถ้าเก็บเอาไว้มันก็ขุนใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย หมายความคนที่ถูกลุวงเกินก็ไม่สบายใจคนที่ลุวงเกินก็ไม่สบายใจและเก็บว่าทําไมมันเป็นของสกครก ม, มันเป็นของร้อนเราก็ขอขอมาลาโทษกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเพื่อนขอ ข, อขอมาลาโทษแล้วก็ให้อภัยเป็นหลักการของการอยู่ร่วมกันที่มีความสำคัญโดยเั็นว่าบางครั้งบางคราวบางถูกอาฆาตพยาบาทกันโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลย จองล่างจองพรานไปเบียดเบียนไปประทุษร้ายกันประการที่สองก็คือต้องมีลักษณะของการอธิษฐานจิตก็มีธรรมเนียนในทางคมไทยอย่างหนึ่งซึ่งค่อนข้างแปลกเช่นว่าฤดูพรรษาซึ่งมีอยู่แค่3าเดือนเนี่ยปธิฐานไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เสพสิ่งเสพจิตไม่เล่นการพนัพ น, น, นไม่อะไรนี่ฮะแล้วไปถึงออกพรษาไปฉลองกันเป็นการใด คือถ้าจะอธิษฐานอย่างนั้นเนี่ยเอานอกพรรษาดีกว่าเพราะมันมีตั้งท อ, อะไรล่ะมีตั้งเก้าเดือนเน่ย น, นะฮะมีตั้งเก้าเดือนในนี้แค่สามเดือนเท่านั้นเองแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันควรจะมีอธิษฐานอะไรไว้บ้างเพราะว่าแต่ละพรรษานั้นก็ทํำอะโรแก่เป็หนึ่งปีนะฮมันต้องแก่ศีลแก่ทานแก่ทานแก่ภาวนามันเพิ่มความดีงามขึ้นมาบ้าง เราควรอธิษฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ควรจะเน้นไปในเรื่องของการบริจาคบริจาคทานอะไรมากเกินไปนะมาเน้นอยู่ที่การลดละความชั่วการประพฤติความดีเอาชนะจิตใจตัวเองรู้จักข่มใจรู้จักห้ามใจรู้จักบันเทาโทสะโลภะริษยาอาฆาตพยาบาทต่างๆนะั้นซึ่งสังคมเรามันรุนแรงรเหลือเกินนะก็ดูได้มันนึกไม่ออกว่าลงทุนทางการศึกษาไปเยอะ การเคลื่อนไหวหทางศาสนากิจกรรมทางศาสนาการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ออกมาเยอะด้วยแต่คล้ายๆกับเป็นโรคที่สู้ยาแล้วนะต้านยาหรือรักษายากเพราะฉะนั้น ม, มันต้องเกิดจากจิตสำนึกของบุคคลอย่างพรรษาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีสัญญาณอย่างที่วัดประวัแตะกี้คงได้ยินเสียงระฆังก็มีสัญญาณ กำหนดนัดกันแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยต้องไม่มีสัญญาณคือรู้กันโดยไม่ต้องไปตีะระฆังพอ ถ, ถึงเวลาต่างรูปต่างก็ไปแต่ไงก็ตามวันข้าบพรรษานั้นพอถึงเวลาแต่ละรูปตัดสินใจจะจำพรรษาที่ใดก็จะไปในสถานที่นั้นแล้วก็มีการจัดเตรียมตัวต่างๆพระนั้นข้าบพรรษานแน่วันนี้นะ แต่ว่าทำอย่างไรว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ฟังรายการใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้จะได้อธิษฐานใจทำความดีหรือมีอะไรขุนข้องหองใจกันอยู่ภายในบ้านระหว่างสามีพัญยาพี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนญาติกับญาติขอขอมาลาโทษซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยกันเพื่อจะอยู่ผ่านการเวลาไปด้วยความเป็นมิสนิสนม เป็นประเดึงอันเดียวกันแล้วก็คุณธรรมความดีได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปในจิตต้องฟังทั้งหลายแต่ลงประวติยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไพลบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี